พระทุกกันในหกร้อยสิบเอ็ดณเหตุปัจจ Ar Ar any um ัยกับมรรคปัจจัยมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอันันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระ นปัชชาตาปัจจัยมีเจดวาระนอสเสวนาปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีเจดวาระนอาหารปัจจัยมีเจดวาระนอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระนชานะปัจจัยมีเจดวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีเจดวาระ นวิคตตปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคะสามัญญะคตะนาหกร้สองณเหตุปัจจัยกับปัจจัยาคือมัคคะสหาชาตะนิสยอาอัติและอวิคตะมีเจดวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกลับมีเจดวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัห6คือมัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยอัติและวิคตะมีสามวาระนะัสัมปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัตถ์ปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระะเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกลับมีสามวาระะเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยาวิปยุตตะอัตติ NOISE และอวิคตามีสามวาระโนวิคตตปัจจัยกลับมีสามวาระอวิปากะสี่เหตุปัจจัยกับปัจใจห6คือมัคคะชาะตะนิสยะวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจัจเจ็ดคือมัคคะชาชะตะอัญญมัญญะนิสยาวิปากะอัตติ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 อธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคือมัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะวิปยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสนทริยะคตะนา โคร้เหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมรรคะสหชาตะนิสยาอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีเจดวาระณนะอัญญามัญญปจจ ะ, ะ, นะป ะ, ะปัจจัยกับและถึงมีสวาระณอุปนะสิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมนะยุตตปัจจัยกับมีสวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระ โนวิคตะปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือมัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะอธิและอวิคตะมีสามวาระะสำประยุตตปัจจัยกลับและถึงมีหนึ่งวาระณวิปรยุตาาตาปัจจัยกลับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกลับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระ นัเหตุปัปจจัยกับปัจจัยแปดคือมาาัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคือมาาัคคะสหชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสน่เหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ 7, คือมัคคะสหาชาตะนิสยาวิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหาชาตะัญญมัญญนะนิสยาวิปากะอินทริยะ อธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิ ney, um, คตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะสัมบุญตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะนิจยะ วิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจใจกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจใจขปัจใจเก้าคืคมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจใจกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สชาณะคตะนาหกร้อยสเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหาชาตะนิสยาชานะอธิและอวิคตะมีเจดวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณสัมบยุตาปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับมีเจวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะชานะมัทิและอวิคตะมีสามวาระณสัมพยุตตาปัจจัยกับและถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสาวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะชาหชาตะอัญญมัญญะนิสยะชาณะสำปรยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระะเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะชหชาตะนิสยะชาณะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่แะเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจดคือมัคคะสหาชาตะนิสยาวิปากะชานะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคือมัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชานะอัตติ และอว no, um. ิคตะมีหน no, yes ึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจเก้าเคือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะชาณะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหชาตะนิสยวิปากะ ชานะวิปยุตตะอาติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกคือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญนิสยาวิปากะชานะวิปยุตตะอาธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้าสอินทรียาชานะคตานา หกร้เหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือมัคคะสหชาตะนิสยะอินทรียาชานะอัติและอวิคตะมีเจวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสมวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระณสำปรยุติปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุติปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจดวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีเจวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจแปดคือมัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยาอินทรียะชาณนะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระณสำประยุตตปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาทิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจัยกับมีสามวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยเก้าคือมคัคคะสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยชานะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดคือมคัคคะสหาชาตะนิสยะอินทริยชานะวิปยุตตาอัติและอวิคตามีสามวาระ โนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะสี่เหตุปัจจัยกับปัจจัยแปดเคือมัคคะสหชาตะนิสยะวิาะะาะะวาปากะอินทริยะชานะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9ก้าเคือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะ ชาณนะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุ ah u, ปัจจัยกับปัจใจสิบเคือมัคคะสหาชาตะอัญญ fifteen, มัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะสมามยุตตะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุ ah u, ปัจจัยกับปัจใจเก้า seconds, คือมัคคะ ชาชะตานิสยะวิปากะอินทริยะชาณนะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนะัเหตุปัจจัยกับปัจใจสิบเคือมัคคะชหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะชาณนะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระสวิปากะหส า, าธิปติอินทรียะคตะนาหกร้อยสิบหเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดเขมข ะ, ะอธิปติสหาชาตะนิสยะอินทรียะอัตถิและอวิคตะมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยกลับและถึงมีสามวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกลับมีเจดวาระณสัมยุญตะปัจจัยกลับมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกลับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกลับมีเจดวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยาอินทริยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีสามวาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย8 เพือมัคคะอธิปติสหาชาตะนิสยะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสาวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสาวาระอวิปากะ3นเหตุปัจจัยกับปัจจัย8ปเพือมัคคะอธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ นโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปจัจใจสิทธิ์คือมัคคะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรียะสำปรยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจใจเก้าคือมัคคะอธิปติสหชาตะนิสยาวิปากะ อินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะามีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะ 3. สเหตุอินทรีย์คะตะนา6กร้อยสิบเจ็ดาอารมณปัจจัยกับปัจจเจ็ดคือมักคะเหตุสหชาตะนิชยะอินทรียะอัติและอวิคตะามีสี่วาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีสองวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีสีวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสีวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสีวาระณอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยา อินทริยะอถิและอวิคตะมีสองวาระณสพยุตตะปัจใจกลับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตต์ปัจใจกับมีสองวาระโนนาธิปัจใจกลับมีสองวาระโนวิคตะปัจัยกับมีสองวาระณอระมณปัจัยกับปัจใจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญะมัญญะนิสยะอินทริยะสพยุตตะ อัถิและอวิคตะมีสองวา ร, <PTSD> ระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระนาอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุสหชาตะนิจยะอินทริยะวิปยุตตะอัถิและอวิคตะมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระอวิปากะสีนอารมณะปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะเหตุ สหชาตะนิจยะวิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหชาตานญญมัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นาอารมณะปัจจัยกับปัจใจสิบคือมัคคะเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับปัจใจเก้คือมัคคะเหตุสหชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับปัจใจสิทธิเกอมัคะเหตุสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะห้า สเสหตาทิปติอินทริยคตนาหกร้ยสิณอารมณปัจจัยกับปัจจัย8คือมะะัคคะเหตุอธิปติ์ชาชาตะนิสยาอินทรียะอัตติและอวิคตะมีสี่วาระณอัญญามัญญะปัจจัยกับมีสองวาระณอุปาณิสยาปัจจัยกับมีสวาระณสัมำยุตตปัจจัยกับมีสองวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสวาระณอารมามณะปัจจัยกับปัจจัยสิบคือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญานิจยะอินทรียะสัมำยุตตาอัตติและอวิคตะมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระ น, อนอาอารมณะปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหาชาตะนิสยาอินทรียะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสองวาระอวิปากะสนาอารมณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอินทรียะอัติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอารมณะปัจจัยกับปัจใจสิบเอดคือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอารมณะปัจจัยกับปัจใจสิบ คือมัคคะเหตุอธิปติสหาชาตะนิสยะวิปากะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะสามมัคคะมูลกะในจก ปยุตตะทุกขัในห้อยสิบเกณเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณอารมณปัจจัยและถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณ an อนันตระปัจจัยมีสามวาระณสมณันตรปัจจัยมีสามวาระณอุปาินจยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวนะปัจจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณอหารปัจจัยมีสามวาระณอินทรียปัจจัยมีสามวาระณชานปัจจัยมีสามวาระณมัคคปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระ โนนัธิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะฆัตนาหกร้อยี่สิบนเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือสัมปยุตตะสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาอาัติและอวิคตะมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิปากะหนึ่งนเหตุปัจจัยกับปัจใจเจ็ด สัมปยุตตะสหชาตะัญญามัญญานิสยาวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะหนึ่งสัมปยุตตะมูลกะในจบวิปยุตตะทุกกใ น, 21, นหยยี่เอ็นเฮตุปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมี5วาระนะอารามณะปัจจัยละถึงมีหวาระ ณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณนิสยปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจัยมีห้าวาระ นอาศัยวนาปัจัยมีห um ้าวาระนกรรมะปัจจัยมีห <selling> ้าวาระนวิปากะปัจัจมีห้าวาระนอาหาระปัจัจมีห้าวาระนอินทริยะปัจัยมีห้าวาระนาชานะปัจัยมีห้าวาระนมข้าปัจจัยมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจัยมีห้าวาระโนนัิปัจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ วิปยุตตมิสกะฆาตนาห2ร้ยี่สสองณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสามเคยวิปยุตต์อัตถิและอวิคตมีห้าวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยกับมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีห้าวาระณสาชาตะปัจจัยกับมีห้าวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีห้าวาระนนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตตปัจจัยกับมีห้าวาระนอาศวนปัจจัยกับมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับมีห้าวาระ ณอาหารปัจจัยขับมีห้าวาระณอินทรีย์ปัจจัยขับมีห้าวาระณชาณปัจจัยขับมีห้าวาระณมคคุปปัจจัยกับมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยขับมีห้าวาระโนนัิถปัจจัยขับมีห้าวาระนวิคตตปัจจัยขับมีห้าวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่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 นปุเรชาตะปัจจัยกับมีสมวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีห้าวาระณอาสวนปัจจัยกับมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับมีห้าวาระณวิปากปัจจัยกับมีห้าวาระณอาหาระปัจจัยกับมีห้าวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีห้าวาระณาชาณปัจจัยกับมีห้าวาระนามขะปัจจัยกับมีห้าวาระ ณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีห้าวาระโนนัติปัจจัยกับมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย5เควิปยุตตะอธิปตินิสยะอัติและอวิคตะมีสวาระณนะอารัมณะปัจจัยกับละถึงมีสาวาระณนะอนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระ นาสมนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระนาสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับมีสี่วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสี่วาระนาอเสวนปัจจัยกับมีสี่วาระนากรรมะปัจจัยกับมีสี่วาระ ณวิปากปัจจัยกับมีสีวาระณอาหาระปัจจัยกับมีสีวาระณอินทรียะปัจจัยกับมีสีวาระณชานะปัจจัยกับมีสีวาระณมขะปัจจัยกับมีสีวาระณสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสีวาระโนนัิปัจจัยกับมีสีวาระโนวิขตปัจจัยกับมีสีวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยห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 มีสามวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอเจวนาปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระณวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระณชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระ นสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระประกินนกะฆาตนา6กรยยีนเหตุุปัจจัยกับปัจจัยสคือวิปยุตตะปัจฉาชาตะอถิและอวิคตะมีสามวาระนะอารมณะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ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 นะอาศัยวณัปจัยกับมีสามวาระนะกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนะวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระนะอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนะอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระนะชานะปัจจัยกับมีสามวาระนะมะคะปัจจัยกับมีสามวาระนะสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนธิปัจจัยกับมีสามวาระ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 นามะข้าปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับ ita, ana, prison, ปัจจ oui ัยหกเควิปยุตตะอารัมณะนิสยาปูเรชาตะอัติและอวิคตตะมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ ณอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาติกปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระณอาศวณปัจจัยกับมีสามวาระณกรมมปัจจัยกับมีสามวาระ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 เวิปยุตตาอารมณะอธิปตินิสยาปุปานิสยาปุเรชาตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอันันตระปัจจัยกับและถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเอเสวณะปัจจัยกับ มีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหน <uten> ึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมค้ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสัมบยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยหกเควิปยุตตานิจยะปุเรชาต์อินทรียาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณ AH am ปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอ น, นันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมมันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นสหชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศวณปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นามคคาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสัรรมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหาชาตะคตานาห2 4้ยนาเหตุ ป, ตปัจจัยกับปัจจัย5เอวิปยุตตะสหาชาตะนิสยะอถิและอวิคตะมีสามวาระนาอารมณะปั จ, จัจกับ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 นาอาศเวนะปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนอินทริยะปัจจัยกับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมักะปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัธิปัจจัยกับมีสามวาระ นวิคตาปัจจัยกับมีสมวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6กเคอวิปยุตตาสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอารมณะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนอธิ ป, ปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปุเรชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปชาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอเสวนะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นามะะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิปากะสองนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย6เควิปยุตตาสหชาตะนิสยาวิปากะอัธิ 500. และอวิคตะมีหนึ่งวาระนาอารมณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 ณอจไอวนาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณมคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิกตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ สวิปากะสองวิปยุตตะมูลกะในจบ